น้อบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยโกกาสหลวงปก่กรมพระอาจารย์ยูกิเพื่อนสนมิทุกท่านจะเดินทรรมแม่ชีและยาติธรรมทุกท่านเนาะเมื่อกี้เราก็ได้สวดบทนบ ท, นะบทสวดมนต์ที่สำคัญเนาะพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนะอันนี้สำคัญมากแล้วก็เป็นจริงๆแล้วมีความหมายที่ยากมากเนาะขณะเราฟัง ภาษาบาลีแล้วแปลเป็นไทยจริงๆแล้วก็ฟังไม่ก็รู้เรื่องฟังมันคือจับความหมายเนะี่ยยากมากนะฮ น, นี่เป็นอืธรรมะชั้นสูงเนาะ <c oughs> ธรรมะในชั้นสูงมากครั้ น, นี้ก็พระก็สมมากก็ใช้สวดในงานศพเนะี <c> ่ย <oughs> งานสวดทั่วๆไปในงานศพต่างๆก็จะสวดพิธรรมเจ็ดสัมภี์ในปนนะระมาจเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็มีความหมายอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ แสดงไปโปรดพระมารดา <c oughs> ซึ่งเป็นเทพอยู่บนสวรรค์นะ <c oughs> ก็คือพระมารดาเนี่ยก็มาฟังพระพิธรรมเจ็ดคัมภีร์ที่บนสวรรค์ชั้นดาววดึงนะก็ได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะตลอดพรรษาเลยเ <c oughs> <c oughs> นาะนี่ก็คือเหมือนกับเป็นการแสดงธรรมนะระดับชั้นสูงให้กับพระมารดาที่ร่วงรับไปแล้วบนสวรรค์นะได้สดับตับฟังพระพิธรรมที่เป็นธรรมะที่สูงมาก อันนี้ก็เลยก็เลยชาวชาวไทยนะนะไม่รู้ว่าชาวจีนจะใช้วิธีงหรือเปล่าก็คือชาวไทยก็นิยมนำมาสวดกันในงานศพนะก็หมือนวามว่าเราก็ได้โปรดนะผู้ที่มีบุญคุณนี่ยะหะให้ได้ขึ้นสวรรค์ในทำนองนั้นเนาะแต่แต่จริงๆแล้วแม้แต่เรามีชีวิตอยู่เราฟังก็ยังไม่เขารู้เรื่องเลยทั้งทั้งนี้แปลไทยใช่ไหมแปลไทยนี่โอ้ถ้า <c oughs> ให้แปยความหมายจริงๆนะยากมาก ต้องใช้การเรียนการศึกษาปริยัตมากมายเนาะอย่างนี้ <c oughs> เวลางานศพถ้าไปแสดงทำเนี่ยจริงๆไม่รู้แสดงให้ให้ศพที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วฟังหรือว่าให้ญาโยมฟังก็ไม่รู้เนะญ <c oughs> าโยมฟังก็ไม่รู้เรื่องแล้วประกันได้แล้วว่าเป็นบาลีรวนๆใช่ไหมยิ่งผู้ที่ผู้ที่ตายไปแล้วในะยิ่งฟังไม่รู้เรื่องใหญ่ใช่ไหมมันบางทีตอนจะแสดงทำก็ไปเคาะลงนะเจะ้าพักไปเคาะลงให้มาฟังทำ เนี่ยจะฟังรู้เรื่องได้ยังไงมันยากมากแล้วเป็นภาษาบาลีด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือคนุ่นใหญ่ก็เข้าใจแบบนั้นกันจริงๆมาตราการสวดมนต์ทำวัดต่างๆนี่แหละบางก็คือหลายๆวัดนะก็จะสวดเป็นแบบภาษาบาลีล้วนๆเลยนะภาษาบาลีล้วนๆเนี่ยสวดแล้วฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะบางทีน้ำมูกตัดสรเพราะว่าโตแปลว่าอะไรก็ยังแปลไม่ถูกเลยนะทำมันจักเนี่ยก็สวดกันแต่ก็จริงๆก็ไม่รู้เรื่อง ถ้เป็นบาลีล้วนๆนะครั้นนี้จริงๆแล้วความหมายในการสวดมนต์เนี่ยก็คือในสมัยพุทธกาลนั่นแนหะสมัยพุทธกาลนั้นท่านจะไม่ไม่ได้มีการจารึกอักษร น, นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไม่มีใครจดเอาไว้แต่ว่าใช้การฟังการฟังแล้วก็คือการที่ในสมัยนั้นสวดมนต์มีบางทีก็มีวันพระก็มารวมกันแล้วก็สวดมนต์ร่วมกันอันนี้เป็นการทบทวนธรรมะของพพุทธเจ้าเพื่อจะได้ไม่หลงลืมเพราะว่าไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ แต่จะใช้การสวดมนต์ร่วมกันเมื่อสวดมนต์แล้วถ้าเสียงอไปกันได้แล้วก็คล้ายๆว่าเนื้อหาน ไ, ไปเดียวไปในแนวเดียวกันก็แสดงถูกต้องคือใช้ความจํำเป็นหลักนะแต่สมัยนั้นเขสวดมนต์ท่านฟังในการสวดมนต์เนี่ยท่านจะฟังกับรู้เรื่องเหมือนก็เป็นภาษาไทยนี่แหละก็จะเป็นการสืบต่อภาษากันมาเพราะฉะนั้นเมื่อสวดภาษาบาลีในอินเดียท่านก็ฟังรู้เรื่องนะท่านก็ เพราะนั้นท่านก็คือการสวดมนต์หือการทบทวนธรรมะของพระเจ้าที่ทบทวนแบบมีการฟังและเข้าใจานําไปปฏิบัติได้จริงๆนะแต่พอมาใ น, ในยุคเราก็คือสวดเป็นภาษาบาลีแต่เราเป็นคนไทยแล้วก็ไม่รู้เรื่องดีมันก็กลายมาสวดมนต์ไปแต่ว่าไม่รู้เรื่องว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะะก็เลยจริงๆก็ไม่ตรงกับจุประสงค์ในการสวดมนต์จริงๆนะเพราะการสวดมนต์คือการทบทวนธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไปแล้วนั่นแหละ เพราะนั้ น, นถ้าเป็นการสวดมนต์ที่ไม่ได้มีรู้ความหมายก็กลายเป็นสวดเพื่อเพื่อความสงบบ้างนะหรือว่าบางบางบทก็กลายเป็นสวดเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์ไปนะนี่ก็อาจจะผิดความหมายไปเนาะแต่เรานี่ก็ดีอย่างก็คือมีสวดมนต์แล้วก็มีการแปลคือสวดมนต์แปลเพราะเราก็สามารถที่จะทบทวนที่พระเจ้าสอนได้นะตรงกับจุดประสงคนะ์เช่นเดิมนะเราก็ เข้าใจนะอย่างธรรมมาจากเราสวดเราก็เข้าใจเป็นส่วนใหญ่นะีหรือบทต่างๆเราก็เข้าใจเป็นส่วนใหญ่อันนี้ถูกตามความประสงค์ของบูชาเจ้าเลยในการทบทวนธรรมะเขาเรียกว่าการสาธยายธรรมนะสาธยายธรรมนะตรงนี้เพราะในในยุคนั้นนะไม่มีจบจบบันทึกก็จริงแต่ใช้การสวดแต่มันในยุคเราเนี่ยใช่ไหมเราก็มีเป็นหนังสือนี่แหละอาศัยหนังสือนี่แหละเป็นการสาธยายธรรมนะคำสั่งสอนบูชาเจ้าเนะี่ยอันนี้ก็เลยอ่า ตรงนี้ก็เลยมีประโยชน์นะพวกเราทําให้ถูกต้องเนาะหรือแม้จริงๆส่วนปริโมกเหมือนกันนะปริโมกเนี่ยก็มีวัดส่วนใหญ่ก็สวดเป็นแบบบาลี ล, ล, ล, ล้ ว, วนๆเลยเราสวดเร็วมากสวดบาลีแล้วก็เร็วมากนะคือถ้าใครสวดเร็วมากถือว่าอ่าได้รับการยกย่องยิ่งใครสวดเร็วประเภทครึ่งชั่วโมงจบเนี่ยก็ถือว่ายกย่องคือสวดเร็วนะั่นนั้นให้คนที่แปลบาลีต่อให้จบสูงๆมากก็ฟังแปลไม่ทันหรอกเร็วมาก เ น, ะนาะเพราะเป็นการทบทวนพระวินัยแต่งเรานี่ก็ดีก็คือเราสอนน่ยเป็นแบบภาษาไทยนะนี่เป็นการทบทวนพระวนินัยทบทวนพระวินัยทําให้รู้ว่าพระวินัยมีอะไรบ้างแล้วจะได้ไม่ลืมอันนี้ก็คือเราทบทวนภาษาไทยเนาะจริงๆริงมันก็คือการทบทวนที่ถูกต้องนั่นแหละแต่นี้มันก็ต่างกันนิดนึงว่าภาษาไทยเนี่ยมันก็มีการดิ้นได้นะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเลยภาษาไทยนะ ยังสมัยต้นกรุงศรีกรุงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นอย่างหนึ่งนะไม่ไม่เหมือนตอนนี้หรอกแต่ว่ามันความหมายคล้ายกันแต่คําพูดต่างๆเนี่ยมันจะต่างกันเนาะมันจะต่างกันอยู่บ้างเพราะนั้นมันมันจะดิ้นได้อเพราะนั้นถ้าเป็นภาษาสวดไปโมกเป็นภาษาไทยล้วนๆนี่แหละต่อไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ภาษาบาลีมันจะไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนเพราะที่บางวัดที่ก็สวดบาลีกันเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง ก็เป็นการรักษาต้นฉบับไว้แต่ก็ไม่รู้ความหมายเนาะแต่ถ้าเราภาษาไทยเราก็รู้ความหมายแต่มันตอบกลไปก็จะเปลี่ยนแปลงนเนาะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเรามีบาลีไว้มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วล่ะใช่ไหมคราวนี้การที่เราสวดมนต์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเหตุให้สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันเนาะคือการบรรลุธรรมเนี่ยสามารถบรรลุได้5อย่างเนาะในวิมุติสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีกล่าวไว้ไม่ใช่ว่าบริบัธรรมอย่างเดียวนะการบรรลุธรรมเนี่ยมีอยู่5อย่างก็คือประการแรก กิจาการฟังธรรมนะการฟังธรรมก็คือฟังจากผู้เจ้าบ้างนะเมื่อฟังจากพระเจ้าแล้วเข้าใจก็บรรลุธรรมเป็นแถวนะนคือที่พระเจ้าจะแสดงธรรมเนีมีผู้บรรลุธรรมมากมายหรือว่าฟังจากภาษาวกด้วยกันก็บรรลุธรรมได้นะเช่นภาษาริบุตรก็ฟังจากพระอาศัศจริน ะ, สะแสดงธรรมสั้นๆเท่านั้นเองนะเยธรรมมาเหตุสภาวา เตยสังเหตุตุงสานก็โตเตสันจัลโรนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนน ะ, ะก็คือทำเราได้เกิดแต่เหตุพระเจ้าได้ทรงแสดงเหตุในการเกิดทำนั้นและการดับของท่านทำนั้น ผ, ผู้มีพระเจ้าพระภาคเจ้าตกติจะทรงแสดงธรรมเช่นนี้นะก <c oughs> ็คือปความหมายประมาณนี้เนาะเมื่อแสดงให้พระสารีบุตรฟังแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เนาะ ต่อมาพระโสตพระสาลิบุตรก็นําธรรมะนี้ไปแสดงให้กับพระมกขลนะฟังต่อก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไดเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นการการฟังธรรมหรือการฟังธรรมต่างๆนี่แหละไม่เฉพาะฟังจากพระพุทธเจ้าหรือว่าฟังจากภาสาวก <c oughs> ก็สามารถบรรลุธรรมได้เนาะอันนี้คือหลักฐานยืนยันว่าการฟังธรรมได้บรรลุธรรมได้อ่าประการที่สองเกิดจากการแสดงธรรมนะคือบางทีการแสดงธรรมนะเมื่อเราแสดงธรรมไปแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจ <c oughs> ในธรรมะนั้นขึ้นมานะเกิดความเมตใจนะแล้วจิตเนี่ยก็มีสมาธิเกิดขึ้นด้วยจิตก็รวมลงไปในขณะนั้นได้นะร <c oughs> วมนี่ไม่ใช่ว่ารวมร้อเปอร์เซ็นะคือมันจิตรวมลงไปในลักษณะอ่ะสักครู่หนึ่งก็ยังได้เลยนั่นก็สามารถที่บรรลุธรรมได้เหมือนกันเนาะอื <c oughs> อันนี้ก็อาจจะมีการเสนอกน่าทำกันพูดคุยทำธรรมะด้วยกันก็าจะเข้าใจในธรรมะในตอนนั้นได้ นะแล้วก็เมื่อมีความเข้าใจจิตก็รวมบูบลงไปสักครู่หนึ่งเนี่ยก็สามารถบรรลุทับได้เนาะอ่าประการต่อมาก็คือการสาธยายธรรมอันที่3ามนะสาธยายธรรมก็คืออย่างที่บางทีเราสวดมนต์ต่างๆนี่แหละบางทีสวดบทสําคัญเช่นมธรรมจักรกับพระนัสูตรหรือนักแต่งรักนักสูตรเป็นต้นต่างๆเมื่อเราสวดไปเรื่อยๆแล้วเราเข้าใจความหมายนะเกิดความเข้าใจคือ อ, อาจจะเข้าใจในความหมายลึกๆของตรงนั้นได้นะ เกิดความสว่างสมัยในจิตใจนะเราจิตก็รวมลงไปนะเราก็สามารถบรรลุธรรมได้เนาะอันที่4ี่ก็คือเกิดจากการทบทวนทบทวนใคร่ครวญในธรรมนั้นนะก็คือนำธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาใคร่ครวญมาคิดทบทวนนะเมื่อเกิดความเข้าใจเกิดการสว่างสวัยในธรรมนั้นจิตก็รวมลงไปก็บรรลุธรรมได้เนาะอันเป็นการที่4ี่เนาะแต่การที่5ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมนะ ประทําอย่างที่เราไปบัตรกันนี่แหละเมื่อเราไปบัตรธรรมแล้วเราเข้าใจธรรมะเราก็บรรลุธรรมได้นะเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมก็มีอยู่5้าอย่างคือเกิดจากการฟังธรรมการแสดงธรรมการสาธยายธรรมการใคร่ควรธรรมและการปฏะทัิธรรมนะครานี้ตรงเนี้ยเราก็แต่ในในยุคเราส่วนมากเลยในยุคเราเราก็เป็นการประทับธรรมเปนส่วนใหญ่แล้วใช่ไหม <c oughs> แต่การใคร่ควรธรรมก็ยังมีนะบางทีเราก็บางแห่งแล้วก็ การนั่งสมาธิแล้วจิตสงบนี่แหละพอจิตสงบแล้วท่านก็ถอนจิตที่มันสงบลึกๆขึ้นมาให้อยู่ในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะไข้ควรวรทบทวนธรรมะได้ท่านก็มาพิจารณาในขันห้าบ้าง <c oughs> พิจารณาให้ขันขันห้าเป็นธาตุสี่น้ดินน้าลมไฟหรือเป็นอสุภะเป็นของหน้าเกีย่อนต่างๆนะผมคนเล็บฟันหนังตับไตกระดูกเอ็นน้ำมมหัวใจน้ำเลือดน้ําเหลืองอุจจาระปัสสาวะต่างๆเหล่านี้ให้เห็น เป็นของน่าเกลียดเนาะหรือให้เห็นเป็นของปฏิกูลต่างๆนะเห็นเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเป็นของปฏิกูลต่างๆนะหรือว่าให้เห็นเป็นโครงกระดูกต่างๆที่มันแตกกระจายไปนะเป็น9ขั้นนะป่าช้า9้าชนิดต่างๆเนาะหรือทบทวนให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังนิสตาเห็นมติรักจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายใครกําหนัด ต่างๆก็คือเอาร่างกายเนี่ยเป็นเป็นฐานนะร่างกายเป็นฐานแล้วก็พิจารณากายเนี่ยเป็นหลักให้เห็นเป็นสิ่งต่างๆนะแยกกันนะบางทีก็แยกแยกชิ้นส่วนต่างๆนะกระดูกอยู่ส่วนหนึ่งนะเนื้อหนังอยู Net ่ส่วนหนึ่งเนื้อหนังก็รวมทั้งไอ้วาอวัยวะต่างๆนะอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เลือดต่างๆก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็แยกเป็น3ามกองแล้วก็พิจาณาเออเราอยู่ตรงไหนเนาะก็หาตัวเราไม่เจอใช่ไหม หรือแยกออกมาเลยชิ้นส่วนหัวใจตา ป, ปอดนะแล้วก็หัวแขนขาแยกไปกระจายกระจายไปแล้วก็หาตัวเราอยู่ไหนเนาะก็หาไม่เจอหาไม่เจอก็เกิดความเข้าใจธรรมะก็บดรุดทําได้นะหรือในยุคสมัยอของเซนก็มีนะบางทีก็ตั้งสโลรกขึ้นมาอย่างหนึ่งนะแล้วก็เช่นตั้งสโสรกว่าเราเป็นใครเราก็พิจารเออเราเป็นใครก็มีการคิดใข้ควร ทบทวนใครคนเนี่ยมาไปเรื่อยๆก็หาตัวเราหาเจอไหมวันนี้ก็หาไม่เจอนะหรือพิจนาไปแล้วเกิดความเข้าใจในตั้รักขึ้นมาตัวเราไม่มีก็บรรลุทําได้เหมือนกันเนาะนี้ก็คือเป็นการใครควรทำนะครั้นี้เราก็ของเราก็ในยุคนี้เราก็ปฏิบัติธเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเราก็อาศัยตรงเนี้ยเป็นการเจริญสติกันเพราะฉะนั้นบางทีก็เลย ว, ว่ารอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะ ลอยเท้าสัตว์ทุกนี้ก็สามารถรวมลงไปในรอยเท้าช้างได้เฉยๆครูบาอาจารย์ก็กล่าวว่าสตินี่ก็เหมือนลอยเท้าช้างเนาะก็คือธรรมะทั้งหลายก็รวมลงไปในรอยเท้าของช้างก็คือสตินี่แหละธรรมะทุกอย่างก็สามารถที่จะลงไปในสติได้ทั้งหมดเพราะามีสติอย่างเดียวก็สามารถที่จะมี <c oughs> มีศีลมีสมาธิมีปัญญาตามมาเนาะลงําเขียนก็ท่านก็เคยแสดงธรรมที่กรุงเทพนะแล้วก็มีผู้ที่นิมนต์ท่านไป เป็นงานใหญ่พะพอท่านแสดงธรรมจบแล้วเจ้าพารวิจัดก็ถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อพูดเรื่องสติอย่างเดียวไม่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาบ้างหลวงพ่อก็บอกว่าเมื่อมีสติแล้วนะก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาตามมานั่นเองเนา ะ, ะเพราะฉนั้นไม่มีสติแล้วนะศีล ส, สมาธิปัญญามันก็อาจจะไม่มีอาจจะไม่ตามมาใช่ไหมเรามีศีลไม่มีสติเนี่ยมันเมื่อขาด เช่นเราไปดื่มเหล้านะจิตมันก็อ่ามันก็เริ่มจะมีโมหะคือมันจะเริ่มหลงหลงคนเรามันขาดสติอยู่แล้วนะไปดื่มเหล้าไปเนี่ยมันยิ่งหลงมากขึ้นไม่มีสติมากขึ้นก็สามารถทำผิดศีลข้อต่างๆได้ใช่ไหมไม่มีสติแล้วสมาธิก็ไม่เกิดหรอกใช่ไหมมันต้องมีสติก่อนนะสติปุ๊บเนี่ยมีสติปุ๊บใช่ไหมจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้ใช่ไหมจิตตั้งมั่นแล้วนะคือสมาสมาสมาธิเนาะ อย่างถ้าเราดูในมรรคมีแปดสัมมาระมพุทธิ์ก็คือจิตตั้งมั่นนั่นเองนะไม่ใช่ว่าจิตสงบนะแต่ว่าจิตตั้งมัน่นนี่แหละปติเป็นเหตุให้จิตตั้งมัน่นเมื่อมีสติแล้วเร า, เ า, าก็เห็นเมตไตรักได้เห็นความนิจจังทุกขังนัตตาได้ง่ายๆนะเพราะร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดน้ยืนเดินนั่งนอนเดินกินพูดคิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยแล้วก็ดูไปเออมันก็เปลี่ยนแปลงนะเห็นความไม่เที่ยงของมันนะเรานั่งนานๆแล้วก็เมื่อยใช่ไหมเมื่อยก็เห็นไหมอ่า เราก็ลองลุกขึ้นมาเป็นเดินอามันนั่งอ่าหรือว่าไปนอนนะมันต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเราไปแก้ทุกนันเองเป็นการแก้ทุกนะหรือไม่ก็เราเดิน่เมื่อยก็กลับมานั่งนี่ก็เป็นการแก้ทุกเหมือนกันนะหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเวลาอ่านั่งอยู่จะลุกขึ้นไปเดินนะอย่ารีบเกินไปหรือเดินอยู่จะกลับมานั่งก็อย่ารีบเกินไปให้เราดูนะกลับมาดูนิดนึงคือ อาะต้องย้อนมานิดนึงเออมันดูนิดนึงว่ากําลังจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเพราะเหตุอะไรนะไม่ทําตามใจหรือทําตามกิเลสไปเห็นจริงๆมันก็คือความที่เราต้องเปลี่ยนแก้ทุกข์นั่นเองนะเนี่ยก็เห็นความทุกข์ไปเรื่อยๆนะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เห็นนรตานะนระตาเนี่ยนะตรงเนี้ยมันก็เห็นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเราก็บังคับเข้าไม่ได้เนะบังคับร่างกายก็ไม่ได้บังคับจิตใจก็ไม่ได้ เพราะนั้นเราเมื่อเราเห็นบังคับก็ไม่ได้เราก็เห็นเนี่ยไม่มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปาตานะมันทํางานเองทั้งหมดร่างกายก็ทํางานเองจิตใจก็ทํางานเองเนี่ยเราก็ดูตรงนี้ไปนะมันก็เข้าใจเห็นมาต่รักได้ง่ายเพราะมีสตินั่นเองนะเพราะมีสติปุ๊บเราก็เห็นสิ่ ง, งนี้ได้หมดเลยอ่าศีลอ่าสมาธิปัญญาก็เกิดจากสตินั่นเองอแล้วหลวงพ่อขวัญเทียก็เคยเปรียบเทียบนี่ว่า มันมีเสือตัวนึงนะมันไายกาดมากเสือตัวเนี้มันดุนะมันจะมากินคนนะมันมันมันกินคนมาต้องเยอะแล้วนะต้องเอามันมาขังไว้ท่านบอกว่าลูกกง5้าห้นะขังมันไม่อยู่หรอกนะลูกกง8ปซก็ขังมันไม่อยู่นะลูกกง10บก็ขังไม่อยู่ลูกกงสองร้อย็ดซก็ขังไม่อยู่นะ แต่ว่ามีลูกทรงลูกกงซี่เดียวนะมีลูกกองซี่เดียวขังเสือตัวนี้อยู่อยู่เลยมันไม่ไปไหนเนาะก็คือเสือเสือตัวนี้นะก็คือตัณหานั่นเองนะตัณหาคือความอยากในใจเรานี่แหละมันจะดิ้นรนมากเลยมันอยากต่างๆนะอยากไปเที่ยวอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากไปหาอะไรกินอร่อยๆนะอยากไปทำอะไรที่มันชอบใช่ไหมนะมันจะดิ้น่นะ บางทีเรามีของนองเยอะแล้วนะมีเสื้อผ้ า, ยาเยอะมันก็อยากจะไปซื้อของนะซื้อเสื้อผ้านะซื้อรองเท้านะซื้อโทรศัพท์นะต่างๆเราเนี่ยมันมันเป็นดิน้นรนะของตันหาแล้วเราก็ต้องไปแสวงหานะให้มาสนองมันนะอยากกินอะไรเนะี่ยมันบางทีบอกเออไปกินนู่นไกลๆเลยนะสักชั่วโมงหนึ่งขับรถไปนะโอ้ตรงนั้นอร่อยมากอ่านะ ตรงนั้นนะสุดยอดเลยนะไปกินเมื่อขับรถไปชั่วโมงไม่เป็นไรกลับมาทํางานทันเนาะเราก็ต้องตามใจมันนะขับรถไปแล้วมาสนองสนองให้เราพอใจนิดนึงมีความพอใจกินแล้วก็ชอบใจมีความสุขนะวันลุ่งขึ้นเก่าแล้วบอกไปนู่นไปไกลๆไปกินอย่างเก่านะก็เราก็ต้องตามใจมไปสนองมันใช่ไหมหรือมันอยากจะไปดูหนังฟังเพลงก็บอกเราปุ๊บเราก็ไปสนองมันใช่ไหม มันก็ไม่เคยพอน ะ, อ, ะอีกสองวันก็เอาอละเรียกเราไปอีกแล้วนะคนที่ไปไปเที่ยวบาร์เที่ยวผับนะไปจำน ะ, ะรู้เลยนะทุกวันศุกร์ต้องไปเที่ยววันศุกร์ในรถจะติดเป็นมิเตอแล้วคนชอบไปเที่ยวกันนะนั่นแหละเพราะว่าสองกิเลสแล้วก็ทุกวันศุกร์ก็ต้องไปใช่หไหมมันไม่ได้ว่าสนองครั้งเดียวแล้วก็จบที่ไหนแต่ต้องสนองมันไปตลอดชีวิตใช่หไหมตลอดชีวิตเลยก็คือเป็นเราเป็นทาตของตัญหาตลอดชีวิตเลย นี่แหละเราไม่ไม่รู้มันนี่ก็มันคือเสือที่มันเป็นเจ้านายเราไม่สั่งเราไปหาอาหารมาเลี้ยงมันไปประจำเมื่อเราเป็นทาสมันต้องไปสนองมันน่ะรูปรสกินเสียงต่างๆก็ต้องไปพามันมาสนองให้มันชอบใจนะมันชอบใจจะให้รางวัลเรานะมีความชอบใจมีความดีใจหลังนั้นก็ต้องไปสนองมันต่อใช่ไหมนี่แหละเงินเดือนหาเท่าไหร่ก็หาไม่พอหรอกนะเราเป็นทาสของตันหาเนาะเพราะที่เราเคยสวดบทหนึ่งว่า าการเกิดทุกข์พาเป็นทุกขล่ําไปอเรารู้จักคงเรือนของเจ้าแล้วเจ้าก็คือคงเรือนผู้สร้างพบก็คือตัณหานั่นเองปัญหานี่แหละนําให้เราเป็นไปสร้างพบสร้างชาตินะพราะเรามีตัณหาตัณหาก็เป็นสมุทยัยนะสมุทัยคือสาเหตุความทุกข์นี่แหละมันจึงสาเหตุใหญ่นะมันจึงเป็นเสือตัวใหญ่คณะมาบอกว่าเลูกอง5ซี่ก็คือศีลห้เนาะศีลห้าเราก็ ป้องกันไม่อยู่นะคนมีศีลท่าเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีสตินะมันมันก็ป้องกันไม่อยู่เนี่ยมันก็ไปเที่ยวไปอะไรตามที่เขาต้องการนั่นแหละศีล8ก็เป็นไม่ชีนะ้นะศีลสิก็เป็นเนนสามเนนศีล227ก็เป็นพระนะขนาด227ก็ยังกั้นเสือไม่อยู่นะ <c oughs> กั้นเสือไม่อยู่หรอก <c oughs> ใช่ไหมแต่เมืม่อมีลูกกงซี่เดียวนะกั้นเสืออยู่คือสตินะคือสติตัวเดียว เรามีสติเราก็รู้ทันนะรู้ทันความอยากเราในใจเราเป็นไงก็รู้ทันนะอยากไปกินอะไรก็รู้ทันนะไปเที่ยวที่ไหนก็รู้ทันนะอยากจะไปซื้ออะไรก็รู้ทันนะเมื่อรู้ทันปั๊บเป็นไงเราก็รู้ทันปุ๊บมันจะเบาลงเบาลงเบาลงใช่ไหมเหมือนความโกรธใช่ไหมความโกรธนี่แหละเรารู้ไม่ทันใช่ไหมมันก็อสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคราวนี้มันสูงขึ้นไม่พอนะความโกรธปั๊บเนี่ยอ ปวปุ๊บเราก็ไปด่าเขากลับบ้างไปทะเลาะเขาบางทีไม่พอนะบางทีมันเกิดความโกรธแรงนะั่นก็ไปทํำลายเขาไปเตะไปต่อยเขาไปชกเขาหรือไม่ก็ไปยิงเขาตายนะเยอะแ ย, ยะเลยไหมบางทีเราเคยดูข่าวไหมฟุตบอลนะแข่งกันปุ๊บเนี่ยปรากฏ ว, ว่าทีมนี้แพ้ทีมหนึ่งปรากฏว่ากองเชียร์ไม่แพ้นะยกพวกตีกันตีกันเพราะว่ากองกองเชียร์ไม่ยอมแพ้ฟุตบอลแพ้แต่กองเชียร์ไม่แพ้เห็นไหมะนะตรงนี้มันมันจึงเรียกว่า ปัญหามันเยอะใช่ไหมมันไม่ยอมอะไรง่ายๆหรอกมันต้องเอาชนะให้ได้ใช่ไหมพอเรารู้ไม่ทันมันไม่มีสตินั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคนมีสติจะรู้ทันความโกรธนะเรารู้ทันปุ๊บมันก็น้อยลงดับไปนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยมันดีมากมันทําให้เราเห็นว่าเออกิเลสทั้งหลายนะเมื่อเรารู้ทันมันก็ดับไปเพราะนุกุบาราบจามมาว่าความโกรธมันก็ดีนะใครที่มีความโกรธเก่งนะบางทีก็แบบทําได้ผลเร็ว เพราะมันความโกรธนี่เขาเกิดเร็วแล้วก็วดับเร็วเราเห็นได้เร็วนะเออบางทีความโกรธเล็กๆน้อยๆนะพอเรารู้ทันปั๊บมันมันดับได้เลยนะดับแล้วก็เห็นเออมันเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปนะมันก็อยู่ไม่นานเป็นของชั่วคราวเป็นความไม่เที่ยงนะตรงนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาโอ้ความเกิดนี่ไอ้อความโกรธนะเกิดแล้วก็ดับจริงๆมาแล้วก็ไปจริงๆมันอยู่ไม่ได้นานหรอกมันไม่ได้เกิดตลอดกาลนะมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาเลยปัญญาที่เห็นความจริงนี่แหละ ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะ <c oughs> คือสภาวะทุกอย่างมันมีความเกิดความดับเนี่ยตรงนี้มันสาคัญมาก <c oughs> เพราะว่าสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ช่ไหมอย่างที่พระวิ้าได้ทรงแสดงธรรมจากพระสูตรนั่นแหละแล้วก็พระกนธัญญาท่านก็เห็นเกิดความเข้าใจยังกินจิสมุทยทยธรรมมังสรรพันตังนิโรธธรรมติสิ่งได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวมีความดับไปเป็นธรรมดา <c oughs> ท่านก็เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันนะ อันนี้ถ้าใครเห็นความเกิดความดับได้บ่อยนะก็คือเราก็เห็นว่าตรงนี้เมื่อมันเกิดมันดับมันจึงไม่ใช่เราใช่ไหมถ้ามันเป็นเราเราก็บังคับเข้าได้น ะ, ะความโกรธนี่นะอยากเกิดขึ้นมาได้ไหมมันก็เกิดมันเองใช่ไหมเราบังคับก็ไม่ได้หรอก <c oughs> เราไม่อาจจะบังคับอะไรได้เลยนะหรือความรักความรักนี่มันดีนะอยู่เรานานๆได้ไมันก็อยู่ไม่ได้ก็ไปความดีใจอยากอยู่นานๆก็อยู่ไม่ได้ก็ไปหมด ใช่ไหมแม้แต่ตัวเราต่างๆมันก็อยู่อะไไม่ได้ก็จะมีแต่การไปทั้งนั้นนะตัวเรานี่แหละมันเป็นของที่เรามมแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วนะพอเราบังคับก็ไม่ได้ใช่ไหมเกิดมาได้เป็นไงตอนนี้นะอมันจะมองไปในอดีตโอ้เมื่อก่อนเรายังสวยมากนะเรายังเป็นคนน่ารักเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีอผมก็เริ่มงอกแล้วนะตาก็เริ่มฟางหูก็เริ่มตึงะผมต่างๆเปลี่ยนแปลงผิวหนังเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนยังสมัยก่อนแล้วนะ ภายในนี่เริ่มเสื่อมกับทุกอย่างเลยนะมันจะเดินก็เดินช้าลงหลังก็ค่อมลงนะหรือว่าความจําก็เริ่มเสื่อมลงเนะนี่ยพอเราบังคับก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเขาก็แสดงให้เราเห็นแล้วบังคับก็ไม่ได้นะถ้าบังคับก็ได้ต้องดีถาวรนะต้องไม่เป็นแบบนู้นแบบนี้ก็ทําไม่ได้นะเนี่ยตรงนี้เขาแสดงแล้วใช่ไหมอยู่ที่เราเห็นก็ไหมร่างกายเห็นก็ไหมเราเราจะไปยึดไหมเป็นของเราใช่ไหมจิตใจนะจิตใจยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็ว วันๆนึงก็ขึ้นขึ้ น, นลงๆนะเกิดเกิดดำดับนะี่ท้าบต้องบันดูที่ง่ายที่สุดคือความคิดนี่แหละนะบางทีเราเดินยองโกมนะบางทีห้ทีคิดต้องไหลเรื่องคิดต้องไหลเรื่องบางทีโอ้ทําไมอยู่บ้านเราไม่คิดเลยมาเปิดธรรม ท, ที่วัดมันทำํำไมคิดเยอะๆแยะๆเพราะอะไรเพราะนั้นแหะเรามีสติแล้วนะเริ่มรู้ทันความคิดแล้วนะเราก็เห็นความคิดนี่มันก็เกิดอยู่เรื่อยๆนะนะี่ตรงนี้มันดีเห็นความคิดเกิดแล้วเรารู้ทันมันก็ดับไป เห็นความคิดเกิดแล้วรู้ทันกระดับไปเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียนบอกว่ายิ่งยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดแต่ยิ่งคิดยิ่งรู้คราวนี้เมื่อเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราไม่ใช่รู้เฉยนะการเราเห็นว่าเออเราคิดนี่ยนี่คือสติแล้วนะตรงนี้เห็นความคิดนี่คือสติแล้วแต่การนี้เห็นว่าความคิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยอันนี้คือปัญญาแล้วนะอันนี้คือเห็นปัตติรักแล้วนะเราสามารถเดิปัญญาได้เออความคิดเกิดแล้วดับนะเราเห็นไม่ว่าความคิดเนี่ยมันมันไม่ใช่ อ่ามันไม่ใช่เราคิดถ้าเราคิดแล้วเราก็ลองรู้นะมันจะคิดเรื่องอะไรเราก็รู้รู้ก่อนก็ยังได้เลยบางทีไม่รู้หรอกนาทียังน่าจะคิดเราเราก็ยังไม่รู้เลยนะตอนนี้มันคิดมันอยู่เรื่อยๆเลียวคิดเรื่องนู้ไปคิดเรื่องนั้นละเราเห็นแล้วมันมันมันคิดเองนะแท้เลยนะบางทีเรื่องไม่อยากคิดนะเรื่องเก่าๆทําให้เราทุกข์ไม่อยากคิดมันก็ยังคิดถึงอยู่อยู่เรื่อยใช่ไหมเนี่ยในตระตงเราบังคับก็ไม่ได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยดูง่ายมากเราเห็นความคิดเราจะเห็นจริงๆแล้วเราบังคับก็ไม่ได้นะ ความโกรธก็บังคับไม่ได้ความรักก็บังคับไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนถ้ามันดีไม่ต้องอยู่กับเราตลอดกาลแล้วต้อบังคับได้เนี่ยเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะจะเห็นนะจริงๆแล้วนะเราบังคับอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเราจะเห็นเออนี่มันมันใครไม่รู้นะมันน่าสงสารจังเลยนะมันน่าสงสารนะมันก็เดี๋ยวมันก็คิดเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็โลภเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็หูตึงเดี๋ยวก็ตาฟางเดี๋ยวก็ความจําเสื่อมเดี๋ยวก็ไป็นโรคภัยใกล้เจ็บ เนี่ยตัวเนี้ยมันใครกัไม่รู้นะเราเราต้องมาใส่ตัวเนี้ยมีแต่ความทุกข์ทั้งเลยนะเนี่ยถ้าเราเห็นกันเรก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วนะเราแค่ดูมันเท่านั้นเองนะดูไว้ร่างกายจิตใจมันทํางานมันไม่ใช่เรานะข้อนี้ถ้ามันเป็นเรานะเราก็แย่เลยนะแต่ตรงนี้พระเจ้าบอกแล้วว่าอ่มันไม่ใช่เรานะตรงนี้เราต้องเชื่อพระเจ้าอ่าถ้าเราเชื่อเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันแก่ก็เรื่องมันไม่เรื่องเราใช่ไหมอ่ามันมันจะเจ็บป่วยก็เรื่องมันไม่เรื่องเรา อันนีเาเรียกว่าเราโดนธนูยิงดอกเดียวนะก็คือกายมันทุกแต่ใจไม่ทุกนะแต่คนที่ไม่เข้าใจเออนี่มันเราแก่นะนี่เรางอม <c oughs> นี่เราความจำเสื่อมนะนี่เราเราโดนเขาดูถูกนะอันนี้มันโดนยิงสองดอกมีตัวเราด้วยในชะ่นะเพราะนั้นจริงๆแล้วกิเลสทั้งหลายนะหรือความทุกข์ั้หลายมันไม่มันโดนเราหรอก มันก็มาแล้วก็ผ่านอยู่แล้วนะแต่เมื่อไรที่มีตัวรับเว้รับมั่อไหร่เราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาอย่างเช่นมีใครมาดานะมาใครมาด่าเราจริงๆมันก็ผ่านไปอยู่แล้วนะมันก็ผ่านไปคําด่าก็ผ่านไปแต่เมื่อมีตัวเราไปรับคําด่าปุ๊บเราก็โกรธขึ้นมาเลยโกรธขึ้นมาเลยนะอ่าตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตนะมันก็ผ่านอยู่แล้วแต่เมื่อมีเราตัวเราไปรับมันก็มันก็มีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเพราะนั้นเสียงต่างๆนะกิเลสทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นความทุกข์หรอก แต่เมื่อมีตัวเราไปรับมันก็มีความทุกข์นะพพพเพราะพระเจ้าก็เลยบอกว่าจริงๆนะมันมันตรงเนี้มันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วกายและใจไม่ของเราเพราะนั้นสิ่งนี้เกิดจากใจก็คืออาการของจิตอาการของใจใช่ไหมเช่นความโลภความโกรธความหลงมันจึงไม่ใช่ของเราด้วยนะถ้าเราไม่ใช่ของเราเราก็แค่ดูมันเออความโกรธมาก็เรื่องของเรื่องของมันไม่เรื่องเราเรื่องของจิตใจไม่เรื่องเรานะนะจิตใจไมงเราแล้วเพราะความโกรธมันไม่ของเราก็จึงไม่ของเราด้วยใช่ไหมเราก็ดูเข้าไป นะต่างๆเร า, เราดูไปไปเรื่องของเขาไม่เรื่องเราเราก็แยกมันผู้ดูเฉยๆเราเราก็ไม่ได้ทุกข์กับเขาใช่ไหมเหมือนที่หลวงพ่อคำเคียบบอกว่าเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนี่แหละตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนะเป็นผู้ดูจ ร, จริงๆไม่มีสูตรได้เสียทั้งที่สั้งสินเลยเป็นอะไรก็ได้ดีก็ได้ก็ไม่เป็นไรดีก็เรื่องของเขาไม่ดีก็เรื่องของเขาไม่เรื่องเราใช่ไหมมันก็จบง่ายใช่ไหมตรงเนี้มันก็แยกมานะแยกม า, ก ม, ามันก็แยกธาตุแยกขันธ์แยกกิเลสแยกปัญหา ต่างๆนะมันแยกกระจายเข้าไปไม่ตัวเราเราก็เป็นผู้ดูทั้งหมดนั่นแหละดีก็ส่วนหนึ่งไม่ดีก็ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าไปติดตรงไห น, นเราก็มีแต่ความทุกข์เราติดดีนะไปเจอคนทําไม่ดีแล้วก็ทุกข์ละทําไม่ทาแบบนี้นะไม่น่าทําแบบนี้เลยเป็นคนชั่วเราก็ด่าเขาในใจเป็นคนชั่วจริงๆแล้วนะเราเราให้ความหมายเองเนาะนะแต่ถ้าเราไม่ติดนะก็ไม่เป็นไรใครทําไม่ดีก็เรื่องเขา นะใครตรงนี้ก็เรื่องเขาเป็นกรรมแต่ละคนเราก็เป็นผู้ดูเฉยเนะอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นกลางได้ใช่ไเราไปติดถูกแล้วไปคอยเพ่งโทษคนดําผิดอีกทําไมก็ทำแบบนี้นะทำนี้ไม่ถูกต้องเลยเนี่ยทำอย่างนี้ทำให้คนก็ลําบากนีตรงนี้เราก็มีความทุกข์นะเพราะเราต้องไปคอยเพ่งโทษคนนู้นคนนี้แต่ใจะเป็นกลางจริงก็ไม่เป็นไรเขาทําดีก็เป็นสิ่งดีของเขาเองเขาทําชั่วเป็นเรื่องของเขาเองนะอันนี้เราก็วางใจได้แล้วก็เป็นกลางจิตที่ไปเบิกขาเลยว่าเป็นปัญญาที่คันสูงเลยนะ ขันถูกคือไม่ไม่ติดในอะไรแล้วไม่ติดในดีไม่ติดในชั่วไม่ถูกในไม่ติดในถูกในผิดเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมใครทำดีก็ไม่เป็นไรใครทำชั่วไม่เป็นไรเพราะนั้นเมื่อเราไปบัตรทําแล้วเราหลงก็ไม่เป็นไรเราลูกก็ไม่เป็นไรนะจิตเป็นกลางก็ไม่ไปยึดอะไรเพราะเราไม่ได้ไปให้ค่าในสิ่งต่างนะให้ค่าได้อย่างไรเพราะทุกอย่างเป็นไตรักทั้งหมดใช่หมเพียงเราไม่ให้ค่าก็ผ่านไปผ่านไปนะ แต่ว่าตรงนี้นะไม่เราทำคำชั่วมันไม่ชั่วหรอกเพราะจิตมันรู้แล้วดีชั่วมันรู้หมดแต่มันไม่ติดเท่านั้นเองใช่ไหมสภาวะที่มันไม่ติดก็คือความมายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นมันคือไม่ทุกข์นะเพราะนั้นมันก็ลงท้ายที่ว่าพระเจ้าได้ทรงตัดไปเป็นบทสรุปว่าสัพเพทำมานารักษณ์พินิเวศายะทำทั้งหลายเป็นไปเพื่อความมายึดมั่นถือมั่นนะเพราะมันไม่เข้าใจสิ่งต่างแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็พ้นจากความทุกข์ได้นะ อันนี้ก็คือการคือการที่ว่าเราตรงนี้นะกลายมาเยอะมั่นถึงนั้นก็คือมันปล่อยนะการปล่อยการปล่อยมื่อกับทุกข์มันก็ความทุกข์มันก็ลดลงจากการปล่อยแต่ไปยืดอะไรมันก็ต้องมีความทุกข์เพราะสิ่งนั้นเพราะลูกหยางมันไม่เที่ยงนะมีความรักสิ่งใดเราก็จะรักเราก็มีความทุกข์ในสิ่งนั้นเพราะความรักก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะมันก็ต้องปล่อยทั้งหมดนะจิตมันก็คือการปล่อยการคลายออกนี่แหละตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเวลาคะวเวลาคะก็คือนิโรดนะนิโรดนี่แหละคือเวลาคะก็คือการปล่อยการวางการมิติด การคลายจากตันหานะเนี่ยคลายจากตันหาแล้วตันหาเป็นอะไรเป็นสมุทัยสมุทัยเรามาเกิดใหม่นะตรงนี้มันเป็นเป็นผู้สร้างเรือนนะเป็นผู้สร้างทกนะเป็นผู้ทําให้เรามาเกิดนั่นเองแลตันหาเ <ME U RA> e มื่อเราคลายจากตันหาก็คือนิโรธก็คือความพ้นทุกเนาะเพราะเมื่อเราเข้าใจจรีก็คลายออกคลายออกไม่ยึดมั่นไม่อะไรก็คือการปล่อยกันวางเนาะเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนะมันก็ง่ายๆนะมันไม่ยากหรอกเนาะเพราะฉนั้นในไทยสุดนี้ขอรัตนาบาลามีคุณประไตร น้อมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้เลยือพันทุกท่านเทิน